ผู้ท่าสร้ังกา ช่วงที่เราปฏิบัติพร้อมตั้งการสดัตรับฟังในพระสัจธรรม <c oughs> การที่เราไม่ว่าจ ะ, จะเจริญกุศลในรูปแบบไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการทำฌานให้ก่ อ, อกเกิดในจิตการรู้จักสละแบ่งปันให้เป็นทานก็ตามก็เป็นกุศลจิตแม้การรักษาศีลก็ยังเป็นกุศลจิต ตลอดถึงการภาวนาขั้นที่เอาปัญญาเข้ามากำหนดรู้ในสภาพธรรมทั้งหลายจนเกิดความเบือหน่ายแล้วก็คลาย ออกจากความกำหนัดเป็นวิราคะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาพธรรมที่เห็นความเกิดตั้งแล้วก็แปรพรวนเปลี่ยนแปลงแตกดับสลายจนถึงภาวะแห่งจิต ที่ไม่คล้องติดอยู่กับพบน้อยพบใหญ่ไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกโรธหรือความหลงทั้งหลายคนที่จะละความโลภความโกโรธและความหลงได้ก็คือคนที่ไม่ได้ยึดถือ ความมั่นหมายว่าเป็นตัวเราของเราฉะนั้นผู้ที่เจริญอบรมจิตตะภาวนาพอถึงขั้นธรรมะที่เป็นปัญญาก็จะพูดเป็นปรมัติไม่ว่าดี หรือว่ามืดดำหรือว่าขาวสุขหรือว่าทุกข์สมหวังหรือผิดหวังรักชอบชิงชังหวานชื่นบานซึมเศร้าหงอยเหงาทุกอย่างก็ล้วนเป็นเพียง สิ่งที่เราได้เข้าไปรับรู้เรื่องบางอย่างก็ไม่ควรจดจำเรื่องบางอย่างก็ควรจดจำเรื่องบางอย่างก็ควรปล่อยวางเรื่องบางอย่างก็ควรที่จะดูแลรักษา ก็ขึ้นอยู่ที่สติปัญญาของผู้ปฏิบัติภาวนาว่าเราเนี่ยเห็นจริงแค่ไหนรู้แจ้งเพียงไหนแล้วก็ใจของผู้ภาวนาเอง ยังเป็นความมั่นหมายยึดในตัวตนหรือหรือว่าเป็นเพียงปัจใจเกิดดับและทุกอย่างก็ว่างเปล่าจากความยึดมั่นหมายคำตอบเหล่านี้คงไม่มีใครตอบแทนผู้ภาวนาของจิตแต่ละดวงก็ต้อง มีสภาวะที่จะรู้แจ้งเองแต่ว่าในที่สุดจะอิ่มหรือใจหิวจะร้อนหรือใจเย็นจะสุขหรือจะทุกข์จะเมื่อรู้หรือว่าสวา่างชีวิตไม่ใช่ว่าเราไม่เคยผ่านไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเจ็บ ความจำเหล่านั้นไม่ใช่เราไม่เคยมีความสัมผัสสิ่งนั้นไม่ใช่เราไม่เคยได้ทุกคนล้วนได้รับบททั้งเรียนมาทั้งศึกษามาแล้วก็ทั้งได้โดยประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็อยากเข้าใจว่ามันเพิ่งเกิดหรือว่า เกิดกับเราคนเดียวและอยากเข้าใจว่าเราเราทนสิ่งนี้ไม่ได้ทุกสิ่งนี้ไม่เคยมีกับเราเนี่ยเข้าใจผิดแหละทุกคนผ่านเกิดแก่เจ็บตายกันมาแล้วทั้งนั้นก็แสดงว่าผ่านทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมด เพียงแต่ว่าภพนี้หนักเบาแค่ไหนภูมินี้หนักเบาเพียงใดก็เท่านั้นเองภูมิที่สร้างกุศลได้ดีก็ส่งผลไปให้เกิดความสุขจะเป็นทิพยะสมบัติจะเป็นโลกิยาสุก็แล้วแต่ หรือสุกในชานก็แล้วแต่แต่พอพบใดภูมิใดเราสร้างอากุศลบาปกรรมมากเราก็ไปสู่ทุกขติมันก็เป็นความเจ็บปวดทั้งนั้นแหละจึงบอกว่าเออถ้าเรากำหนดให้ได้พิจารณาให้ดี ยมดูแค่ร่างกายมันมีทั้งแข็งแรงแล้วก็มีทั้งอ่อนแอมีทั้งความสมบูรณ์แล้วก็มีทั้งโรคภัย mm hmm. เพียงแต่ ว, ว่าสิบปีนี้เราอาจจะไม่เจอแต่อีกสิบปีข้างหน้านยังตอบไม่ได้ถึงบอกถ้ามีสติกันอีกสักนิดหนึ่ง อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยยมอย่าไปคิดว่ามันเพิ่งเกิดยมโตมาถึงขนาดนี้อย่าไปคิดว่าเพิ่งเพิ่งได้กินข้าวเป็นคาแรกเพิ่งได้ลิ้มรสอาหารเป็นครั้งแรกเลยไม่ใช่พวกเรานี่ลิ้มลองกันมาไม่รู้ทั้งเป็น อาหารหยาบและอาหารทิพย์ด้ซ้ำไปแต่พอมากำหนดจริงๆสุดท้ายนะก็จะเหลือเพียงคำว่าชีวิตมีอดีตยมกำหนดดูใครก็ปฏิเสธไม่ได้ชีวิตมีอดีตร่างกายเนะี่ยมีเงา โยมเป็นสองดูไปยืนในน้ำก็เห็นไปยืนในเงามืดใต้แสงจันทร์ก็เห็นยืนอยู่ในช่วงกลางวันก็ยังมีเงาชีวิตมีอดีตร่างกายมีเงาแต่สิ่งที่เราภาวนาสติต้องมีปัญญา จิตตาเนี่ยจะต้องมีวิปัสสนาเขาจัดสรรให้แล้วโยมโง่ก็คู่กับฉลาดมืดก็คู่กับสว่างมันตอบอยู่แล้วฉะนั้นทุกอย่างถ้าเรามีความคิด ชีวิตมันไม่อับแสงหรือว่ามันไม่สิ้นไปทุกทุกอย่างเพียงแต่ว่าวันนี้เดือนนี้ปีนี้เราอาจจะต้องสูญเสียอะไรไปบ้างแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างบางคนสูญเสียทรัพย์สมบัติถูกฟ้องล้มละลาย ดูเหมือนว่าสูญเสียมาแล้วใช่ไหมน่าจะว่าใช่นะที่กินที่นอนที่นั่งก็ต้องอถูกเปลี่ยนไปให้ทุกอย่างลำบากแต่เขาก็ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่ก็ไม่ได้สูญเสียไปทุกอย่างครอบครัวเกิดความรักความเห็นใจเพื่ออาทรสงสารซึ่งกันและกัน เขาไม่ได้สูญเสียครอบครัวแต่ชื่อเสียงเกียรติยศเพื่อนฝูงเงินทองความสุขสบายอาจจะสูญเสียแต่บางคนโยมกำลังได้ชื่อเสียงเกียรติยศทรัพย์สมบัติมากมายฐานะร่ำรวยแต่กำลังสูญเสียสุขภาพร่างกายเกิดเจ็บป่วยไข้ มีโรคร้ายขึ้นมาบางคนคร อ, อบครัวก็อยู่กันไม่เป็นสุขอัตมาจึงบอกว่าอย่าเพิ่งสรุปอะไรแล้วก็อย่าไปปรุงแต่งอะไรให้มันเกินไปเจ็บห้าก็คือห้าโยไม่ต้องบอกลบห้าบวกห้าห้า ห้าตัวเดียวแล้วใช้จิตเนี่ยทำวิปัสสนาเอาสติอบรมให้ก่อเกิดแห่งปัญญาก็บอกร่างกายมีเงาชีวิตมีอดีตสติต้องอบรมให้เกิดปัญญาจิตตาต้องทำให้เกิดวิปัสสนา แล้วผลงานที่จริมวิปัสนาได้กิจตาเนี่ยทำให้เกิดวิปัสนาสิ่งที่ตามมาก็เรียกว่าธรรมมาธรรมมาก็เกิดขึ้นเหมือนดอกบัวเอาจริงนะดอกบัวแม้ว่ารากเงามาจากคโคลน แต่ว่าเวลาเขาเหนือน้ำแล้วเขาไม่ได้ติดโครนโยมต้องยอมรับว่าเรานะต้องผ่านโยมเห็นไหมทุกอย่างที่หล่อลอมมากว่าจะสวยงามกว่าจะเป็นที่ยอมรับได้นะผ่านกรรมวิธีกี่อย่างกี่รูปแบบ ไม่ใช่อยู่ๆหินทื่อๆมาแล้วยมบอกนี่คือแจ ก, กันไม่ใช่เขาต้องเอาไปขึ้นรูปต้องเอาไปเอาไปกลึงก่อนกว่าจะได้แม่นอสสักตัวเนี่ยก็ต้องเขาเขาก็มีกรรมวิธีที่จะต้องทำให้เป็นเกลียวขึ้นมาและชีวิตของพวกเรามีเกลียวบ้างก็ไม่เห็นแปลก วันหนึ่งโลกก็จะต้องแตกไปยึดถืออะไรกันนักกันหนาะจริงไม่ยอมไปเศร้าอะไรกันนักกันหนาะมีโอกาสชีวิตยังเหลืออยู่ยิ้มได้ก็ยิ้มยิ้มไปดอกไม้มันยังรู้จักบานมันยังรู้จักโรยและมันก็ยังรู้จักปริใหม่เราอย่าแพ้ต้นไม้เด้ ต้นไม้เขาไม่มีปัญญานะเขาเพียงแต่สนองโดยธรรมชาติในปฏิกิริยาเท่านั้นแต่เขาก็ยืนหยัดสู้จนถึงสุดท้ายแต่อย่างน้อยเขาก็ได้มีประโยชน์แล้ว ให้คนในโลกได้เห็นได้ดมได้ชมได้สูดกลิ่นและชีวิตของโยมล่ะมีใครได้ชมไหมมีใครได้ดมไหมมีใครได้สูดกลิ่นไหมมีใครได้ลิ้มรสไหมมีใครได้เพลิดเพลินบ้างโอ้อยอะไรค่าขนาด เทียบกับดอกคุหลับดอกเดียวก็ไม่ได้ในะแย่นะดอกมะลิยังถูกร้อยมาเป็นพวงมาลัยยังให้ความชื่นใจยังเอาไปกราบถวายบูชาพระยังเป็นของสูงได้ และตัวตัวเรายมทำให้มันสูงหน่อยไม่ได้หรือโยมไม่ใช่ว่าสูงเพราะว่าความสูงร้อยเก้าสิบไม่ใช่ขยเองก็ไม่สูงอย่างนั้นเขารียททำให้ชีวิตของเรามันจเจริญกว่าเดิมบางคนก็ชอบอก็ชอบตอกยำ้ำ โอ้โหนึกว่าเวลาชีวิตมนุษย์นี้เหลือเฟือโยมเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าบางคนรักษาตัวรอดตายจากโรงพยาบาลมาอย่าเพิ่งไปดีใจนะว่าจะอยู่อีกเป็นร้อยปีนั่นเขาต่อชีวิตให้อีกหน่อยเดียวอย่าไปนั่งเพลินแจะแต่ละ มันไม่ใช่นะใช้เวลาที่เหลือนะให้คุ้มก่อนที่เวลาจะหมดใช้ชีวิตที่มีให้มีค่าก่อนจะตายโยมก็ต้อง พยายามค้นหาตัวเองกรรมวิธีของชีวิตยมควรจะทำแบบไหนรูปแบบไหนที่จออกมาดียมก็ต้องดูไม่จำเป็นต้องทำแบบซ้ำๆ้ซากซาที่ผ่านมาแล้วส0สิปีก็ยังส0สปีเหมือนเดิม4ี่สปีก็ทำแบบสี่ปีเหมือนเดิมบอก ไม่พัฒนาคิดอะไรก็แบบเดิมๆพูดอะไรก็เดิมๆทำอะไรก็เดิมๆเนี่ยดีซ้ำซากมันก็ไม่เจริญทำอะไรเดิมๆที่ไม่พัฒนามันก็ไม่รุ่งขึ้นมาย่มก็ต้องหาก็ต้องแสวงหาไปเรื่อยชีวิต ที่ยังเหลืออยู่บางคนก็คิดว่าที่เหลืออยู่ก็พย า, ายามใช้ชีวิตเที่ยวให้เหมือนกับตนที่อยากจะเที่ยวมันไม่สนุกหรอกอยู่ ลองอมาแค่เดือนสองเดือนก็รู้สึกแล้วว่ามันก็เท่านั้นเปลี่ยนที่เปลี่ยนบุคคลเปลี่ยนภาษาดูไปดูมามันก็แค่นั้นแหละเปลี่ยนที่พักไปเรื่อยๆแต่สาระไม่มีเลยแสดงว่ายโยมยังหาความสุขไม่เจอจึงต้องท่องเที่ยวในวัตจักรเช่นนี้ในวัตตะแบบนี้ พระพุทธเจ้าหยุดเที่ยวแลวยมรู้หรือเปล่าตั้งแต่ทรงพนวดแล้วพระองค์หยุดเที่ยวแลอย่างของพวกเรานี้ยังเที่ยวบางทีก็ไม่มีสาระบางทีก็อันตรายบางคนก็ยังเมากับการกิน บางคนก็คิดว่าความสุขอยู่กับการกินกินไปกินมาเดือนสองเดือนก็เบื่ออีกพระพุทธเจ้าไม่ได้สุขกับความกินหรือสุขกับการเที่ยวบางคนสุขกับการเต้นเต้นรำขับร้องดีสีตีเป่า ยอมลองทำไปนานๆดูดนเะชื่อว่าถ้าเราเล่นจริงๆเนี่ยเล่นคนเดียวเดี๋ยวเดียวก็เลิกแต่ที่เล่นได้นานเนี่ยอาิบยว่ามีคนมาดูเหมือนการแต่งตัวถ้าไม่มีคนมาดูเนี่ยก็ไม่รู้แต่งไปทำไมพอ เข้าบ้านยมดู ก, กลับมาบ้านมีใครมานั่งแต่งตัวไม่ไม่ไ ม, ม, มีมีแต่จะเช็ดออกพอจอกจากบ้านแต่งแต่งให้คนอื่นเขาดูเลอเชื่อไ ม, ม่ยมไม่ใช่ว่าตัวเองว่าจะดูนะแต่งคนอื่นเขาดูและคิดว่านั่นคือ ความสมบูรณ์ความสวยงามเป็นความสุขจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของกรรมมาคุณรูปเสียงกลิ่นรสแต่เมื่อไรเราไม่พบความสุขที่ใจของตัวเองเนี่ยยิ้มได้อย่างสดชื่นเบิกบานเนี่ย โลกที่โยมมีอยูนะ่ให้ความสุขกับโยมไม่ได้จริงหรอกโยมพระราชามีความสุขจากกิเลสหรือจากทศพิตรราชธรรมโย ม, มสุขจากการถูก ปุปนเปร่าบำเรอด้วยสตรีด้วยน้ำเมาน้ำจันหรือด้วยรถอาหารอันโอชะหรือกิ่นหอมอันโยวนยวนแล้วก็มกมุ่นอยู่งั้นเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยโยมดูเป็นได้ไหม เป็นไม่ได้ไม่ได้พาะอะไรรู้ปะ่ะพราะนั่นคือหาความสุขจากคนอื่นเป็นการส น, นองกิเลสแต่ไม่ได้มีความสุขจากตัวเองเลยพอไม่มีใครขึ้นมาก็เหงาอีกแล้วเรียกมา มาร้องมารำมาเต้นให้ดูกินให้เมาไมา้ก็หลับสลบสลลยอยู่อย่างนี้สักร้อยปีสู้วันเดียวของคนที่รักษาศีลไม่ได้แค่วันเดียวนะในร้อยปีสู้หนึ่งวันของคนที่จเจริญวิปัสสนาไม่ได้ ไม่ได้แม้ความสุขก็เทียบไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเหมือนภาพลวงตาชีวิตมันเหมือนถูกลวงไว้พอวันเวลาผ่านไปอายุมากขึ้นสิ่งเหล่านั้นเอามาเป็นสาระ ไม่ได้เลยเอามาเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยไม่มีเลยและสุดท้ายชีวิตจะพึ่งอะไรยมีประสบการณ์ชีวิตมาหลายปีแล้วคำถามสุดท้ายชีวิตจะพึ่งอะไรพึ่งลูก กขขอให้ลูกหลานอย่าทำให้เสียใจก็พอแล้วให้ลูกหลานรักษาสกุลให้ไม่ให้เสื่อมก็พอใจแล้วรักษาทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่หามาได้อย่าให้หมดตัวนี้ก็ถือว่าแค่นี้พ่อแม่ก็พอใจแล้วแล้วหวังพึ่งอะไร ถ้ามองหวังพึ่งคนจะพึ่งใครอีกหน่อยคนหลังนี้ก็จากไปตายไปแล้วจะพึ่งใครต่อโยมบอกจะพึ่งทรัพย์สมบัติวันหนึ่งพอเราจากไปทรัพย์สมบัติก็ไม่ติดตัวเราไปโยมพึ่งเขาได้แค่ลมหายใจสุดท้ายจากนั้นไป ทรัพ ส, สมบัติก็พึ่งไม่ได้จะพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสที่มายั่วยุให้โยมเกิดความคึกขนองยินดีพอใจสิ่งเหล่านั้นก็ลวนไม่เที่ยงไม่มีแก่นสาตพึ่งไม่ได้ ยมจะพึ่งอำนาจอำนาจก็ไม่ถาวรชื่อเสียงก็ไม่คงทนสุดท้ายก็ไม่ใช่ที่พึ่งอยมจะไว้ใจอะไรก็ยังไว้ใจไม่ได้จะพึ่งพาให้ได้จริงๆก็ยังไม่ใช่อย่างนี้ตายตาไม่หลับอโยมหาที่ที่พึ่ง สามสี่ห้าหกสิบปีจนถึงบัดนี้ถึงเจ็ดสิบแปดสิบก็มีบางคนที่ฟังทาอยู่บอกถืว่าโยมเจอที่พึ่งแล้วและที่พึ่งแท้จริงต่มาบอกตอบแบบคนที่ไม่รู้ก็เหมือนคนที่พูดไปยังไม่เข้าถึง สาระเก่นแท้จริงยมดูพระพุทธเจ้ายังหาที่พึ่งเลยบารมีขนาดนั้นแล้วนะพร้อมที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิยังรู้ว่าพระองค์ ถึงเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิก็ยังไม่พ้นทุกข์ที่พึ่งของเรายังไม่พ้นทุกข์เราจมาถามโยมโยมมีที่พึ่งพ้นทุกข์อะไอย่างเราปฏิบัติธรรมเราก็ต้องหานะว่าทำไมเราจริงต้องปฏิบัติแสวงหาธรรมเพื่ออะไร เห็นไหมโยมอาตมาก็กําหนดเหมือนกันอยู่คิดจนโลกจะแตกไปหลายรอบเหมือนกันกระหาทั้งที่พึ่งทั้งหาทั้งความสุขพยายามคิดทุกอย่างพอเอาจริงจังเข้านะมันก็ยังไม่ใช่ มันแค่เพียงเราพอใจในช่วงหนึ่งยินดีในเวลานหนึ่งก็รู้สึกว่าเออมันสุขใจอยู่ในห่วงหนึ่งเท่านั้นเองแต่สุดท้ายเป็นที่พึ่งแท้จริงไม่ได้และสิ่งนั้นก็ยังพ้นทุกขหรือดับทุกข์ให้กับเราก็ไม่ได้ถึงบอกเออ ชีวิตมีอดีตร่างกายมีเงาสติต้องมีปัญญาจิตตาต้องมีวิปัสสนาสิ่งที่ตามมาก็คือธรรมะอันบริสุทธิ์หมดคำถามสิ้นคำตอบ ธรรมะที่บริสุทธิ์คือจิตของผู้ปฏิบัติเป็นผู้ที่บริสุทธิ์นั่นคือที่พึ่งนั่นคือที่พึ่งจิตที่บริสุทธิ์ ยมรู้หรือเปล่าจิต ท, ที่บริสุทธ์นั่นแหละคือที่พึ่งแต่ก่อนที่จิตจะบริสุทธิ์ยมได้สติปัญญามาแล้วแล้วก็ได้เจริญจิตตาวิปัสสนามาจนเห็นเป็นธรรมมา ปรากฏในจิตของตัวเองแล้วก็ทำให้แจ้งจิตจนเกิดความสว่างสวัยทั้งโลกนี้และก็โลกหนาทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตแล้วสามารถรู้แจ้งแห่งความดับทุกข์พ้นทุกข์จึงเรียกว่าจิต บริสุทธิ์ถ้ายังมีทุกข์อยู่จิตยังไม่บริสุทธิ์ยอมเชื่อหรือเปล่าคนดีไม่ได้หมายถึงก็คือคนบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าคนที้คนดีคือผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่คำว่าผู้บริสุทธิ์เนี่ย ไม่ได้หมายถึงบริสุทธิ์แบบโดนใส่ร้ายแล้วก็ไม่ได้ทำชั้นบริสุทธิ์อันนั้นมันตื้นเขินแต่ก็ว่าจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่อยู่เหนือมานทั้งหลายที่จะครอบงำจิตได้แล้วก็ไม่มีอะไรอีกแล้ว ที่จะทําให้จิตดวงนี้ไปสแสวงหาเพื่อความสุขอีกเลยถือว่าสิ้นสุดแล้วเหมือนการเดินทางนี้สิ้นสุดแล้วจบฉะนั้นโยมพวกเราเป็นผู้เดินทางไปสแสวงหาจิตที่บริสุทธิ์และโยมจะพบนั่นแหละคือที่พึ่งแท้จริง ไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมที่ยมได้มาไม่ใช่ชื่อเสียงเกียรติยศที่ยมได้มาสิ่งนั้นอยู่กับเราได้ไม่นานดีไมด่ดีอาจจะมีภัยตามมาถ้าได้มาด้วยพิธีที่ต้องโค่นกันแย่งกันห้าหันกันเห็นนหโยม และจิต ท, ที่บริสุทธิ์ก็จะยุติกรรมวิบากทั้งหลายที่จะก่อเกิดกับสัตว์น้อยใหญ่เหลือแต่คำว่าเมตตาจิต ท, ที่บริสุทธิ์เลยว่าเมตตาปัญญาบริสุทธิ์พระังหาันทุกองค์ มีเมตตาปัญญาบริสุทธิ์สามคำนี้หมุนเป็นเป็นธรรมตลอดเมตตาปัญญาบริสุทธิ์ยมลองกําหนดดูเมตตาปัญญาบริสุทธิ์ถ้าเป็นยาโยงออกมาเคี่ยวและโขกสับดูเมตตาไม่ทําลายไข่ ปัญญาไม่เคยหลงไหลในสิ่งใดที่เป็นภัยความบริสุทธิ์เหมือนแสงสว่างทำให้ชีวิตเหมือนไม่ต้องแสวงหาอะไรอีกแล้วไม่ไม่ต้องไปขออะไรอีกเลยสุขก็ไม่ต้องขอ เพราะความบริสุทธิ์นั้นมันสิ้นสุดแห่งคำว่าคำสมมุติแล้วไม่มีคำไหนที่จะสมมุติต่อไปอีกเลยยงมเข้าใจเลยก็ว่าผู้บริสุทธิ์มันเหมือนดอกไม้สีขาวมันสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุด แต่ถ้าบอกสกปรกม kind of ่อไหร่แล <It> ้วก <ww transparency> ็เห้ไม่โยมเมตตาปัญญาบริสุทธิ์โยมบริกรรมสามคำนี้แทนพุทโธก็ได้เมตตาปัญญาบริสุทธิ์เมตตาปัญญาบริสุทธิ์แลโยมเอาไปใช้ได้พอถึงเวลาปุ๊บโยมก็กำหนดควรใช้เมตตากบเมตตาต้องใช้ปัญญา เราต้องใช้พอถึงเวลาหนึ่งมีความบริสุทธิ์ชีวิตสัตว์มนุษย์น้อยใหญ่สัมผัสได้นะั้นถ้าคนนั้นบริสุทธิ์จิตพออยู่กันสักพักหนึ่งเขาจะรูนะ้คนที่เขาบริสุทธิ์จริงๆเนะี่ยไม่มีเสแสงเสแส้งแกล้งมายาไม่มีทั้งดวงตา ทั้งสีหน้าทั้งน้ำเสียงทั้งคำที่พูดทั้งสิ่งที่แสดงตรงออกมาจากจิตทั้งนั้นเลยแต่ยมดูมนุษย์ยมได้ยินบ่อยในปากอย่างใจอย่างตมาก็ยังแปลกใจเวลาขึ้นศาล ในคดีเดียวกันสู้กันมันต้องมีคนหนึ่งชนะคนหนึ่งแพ้เหมือนจะเอาความกันให้ได้คนผิดก็น่าจะรู้ว่าผิดคนถูกก็น่าจะรู้ว่าถูกทำไมต้องเอาด้วยเหตุหลักฐานมาแสดงมาสู้กันบนชั้นศาล เอากฎหมายมาสู้กันเอาพยานมาสู้กันแต่ไม่ใช่เอาคุณธรรมมาพูดความจริงกันมันก็เลยบางทีก็เป็นอายุติธรรมเพราะหลักฐานก็ถูกสร้างได้การตัดสินบางอย่างก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้เหมือนกันถึงบอกสองคนทะเลาะเรื่องเดียวกัน ต่างคนต่างก็โทษคนนี้ผิดดัง น, นคนยินมองคนที่สามก็ถูกเลยเรือเชื่อเรื่องเดียวกันทะเลาะกันต่างคนต่างก็กล่าวหาว่าคนนี้ผิดคนนี้ผิดแล้วใครถูกแล้วใครผิดเ่าศีล ม, มาตัดสีนเอาธรรมมาตัดศีลน่ ใช้จิตสํานึกเท่านั้นเองและความจริงก็ปรากฏไม่ใช่เอาผลประโยชน์เอาความเห็นแก่ตัวเอาพวกพร้องเข้ามาทีมันก็เลยมันก็เลยไม่ใช่ แต่ว่าผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์เขาไม่เสแสร้งเดี๋ยวพูดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเขาไม่ใช้คำหวานเพื่อคำลวงเขาไม่ใช้คำล่อลอก ฉันถ้ามีเมตตาปัญญาบริสุทธิ์เนี่ยแม่โยมท่องไปเลยเมตตาปัญญาบริสุทธิ์เมตตาปัญญาบริสุทธิ์หรือปัญญาเมตตาบริสุทธิ์อะไรก็แล้วแต่โยมท่องแล้วให้มีสติเอาไปใช้เถอะพอเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาโยมดูดิใช้ตรีตรองพิจารณาด้วยปัญญาก่อน ควรใช้เมตตาก็เอาเมตตาจิตของเรามีความบริสุทธิ์ไม่คิดร้ายกับใครแม้ใครคิดร้ายอยู่ก็ไม่ร้ายตอบเมตตาปัญญาบริสุทธิ์มันก็ทำลายโยมไม่ได้กิเลสตัณหากองไหนก็ทำลายโยมไม่ได้ ไม่ได้เชื่อหรือเปล่าวายมแม้ทรัพย์สมบัติของใครก็ตามมีค่าแค่ไหนถึงตกอยู่เมืองหน้าและก็เห็นเจ้าของก็ยืนอยู่หรือรู้ว่าคนนี้เป็นเจ้าของฝากเราไว้ยังไงยังไงเราก็ไม่ ไม่ยินดีในการที่จะเอาแม้เขาให้มาโดยชอบทมบางทียังไม่ปรารถนาจะเอาด้วยซ้ำอย่าไปคิดว่าเราจะไปเอาด้วยาการขโมยหรือว่ายื้อแย่งมาอาตมานั่งดูบอกเออจิตอย่างนี้แหละมันอยู่เหนือวัตถุซื้อไม่ได้ขายก็ไม่ได้ ให้ใครก็ไม่ได้มันเป็นคุณคุณธรรมของผู้นั้นเองจึงบอกเอาวัตถุมายั่วมาล่อเขาก็ไม่หลงเอาชื่อเสียงประเคนให้เขาก็ไม่สนใจใด้ความบริสุทธิ์ใจตรงนี้แหละ มันเขาจะแพ้ทุกรูปแบบแต่ของพวกเรานี้ถ้ามันเขารู้นะเขามาแล้วบอกนี้ชอบอะไรบวกชอบสะสมของเก่ า, เ, าเดี๋ยวแพหามาให้ชิ้นนี้หายากกละอยากได้มานานแล้วพราะคนเสนอให้ชักหวั่นไหวแล้วนะ ถึงมีเงินก็ตามโยมถ้าความอยากยังต้องการอยูนะ่ใจมันก็ยังละโมบก็จะเอาต่อแสดงว่าจิตอย่างนี้ยังซื้อได้ยังอยู่ใต้วัตถุบางคนต้องการชื่ อ, อต้องการยศ ไปทำอย่างงี้มาเดี๋ยวจะให้ยศไม่อยากทำก็ทำหวังก้าวหน้าแต่เสียจิตวิญญาณไม่คุมเช่นโ ย, ยมทั้งบวกแต่ละคนมีจุดอ่อนไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันบางคนนี่เขา เสนอผลประโยชน์ให้เยอะพี่น้องก็ยังโกงกันน้องเขยพี่เขยโยมจะไม่โรงงานของพี่เขยนี้ล้มละลายแต่น้องเขยเปิดโรงงานใหม่ได้น้องเขยไปทำงานเป็นผู้บริหารในโรงงาน พี่เขยก็ไว้เนื้อเชื่อใจมอบอำนาจให้เซ็นอะไรได้เกือบทุกอย่างสำคัญสำคัญก็เซ็นได้ตัวเลขนี้หลอกทั้งนั้นเลยมาสองสามปีกว่าจะรู้สุดท้ายก็คือเหมือนน้ำท่วมแล้วท่วมจมูก บทอากาศจะหายใจแล้วแต่น้องเคยรวยถามว่าทำไปเพื่ออะไรกินอยู่ดื่มอาบใช้กินก็อยู่ดีมีสุขแล้วแต่ว่าไม่ทันใจอยากจะรวยเองอยากจะใหญ่เองอยากจะมีอำนาจทุกอย่าง สุดท้ายเงินทองเอาไปไม่ได้เขาให้แค่อยากกินก็ซื้อกินแค่นั้นเองยมอย่าไปเข้าใจว่าโอ้โหมันมันไม่ใช่เข้าใจผิดยิ่งคนอายุหกเจ็ดแปดสิบปียังคิดโกงอยู่ลาบอกโง่โง่โง่จะตายอยู่แล้วเนี่ยยังโง่ทำบาปอีก มันไม่ใช่เป็นรางวัล น, นะก่อนตายเนะี่ยมันเป็นหายนะถึงบอกเออเมตตาปัญญาบริสุทธิ์เนี่ยโยมบริกรรมให้ได้และก็ทำให้เกิดเมตตาปัญญาบริสุทธิ์ถ้ายมีคนก็ถามปฏิบัติได้อะไรคุณธรรมบอกเออก็ได้เมตตาอบรม จิตใจให้เกิดมีปัญญามองให้เห็นความทุกข์โศกสิ่งชั่วดีและก็รู้จักปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นไว้บ้างโยมไม่เข้าใจตมาบอกนว่าชีวิตมีเงา ชีวิตมีอดีตร่างกายมีเงาสติอบรมแล้วจะมีปัญญาจิตตาเจริญมากๆก็เกิดความรู้แจ้งในพิปัสนาพอถึงที่สุดจิตของโยมจะอยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งหลายอะไรก็แตะต้องไม่ได้เลยมันยิ่งกว่าเป็นของพิเศษ ยิ่งกว่ามานันีอันล้ำค่ากว่าทุกสิ่งใดนั่นแหละคือใจของโยมที่จะมีความสุขและก็ดับทุกข์ได้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้านั่นแหละคือที่พึ่งอาหารก็เป็นเพียงแค่ให้เรามีชี้นอยู่ที่ไม่เกินร้อยปีแต่ไม่ได้เป็นที่พึ่งตลอดไปทุกอย่าง สมบัติของโลกนี้มันอายุสั้นไอโยมเชื่อหรือเปล่าทรัพ ส, สมบัติของมนุษย์ที่อายุสั้นบางคนหกสิบหมดเจ็ดสิบหมดห้าสิบหมดทำท่าจะมีฐานะหน่อยก็หมดไปแล้วชีวิตอัตมาก็ไปยืนดูเห็นแล้วโอ้โหสุสาน ทั้งเศรษฐียาจกทั้งนักรบนักรักนักเที่ยวนักสนุกบางคนทนทุกข์ไม่ไหวตรอมใจตายก่อนชีวิตยึดไปก็เท่านี้ไม่ยึดก็เท่านี้ถ้าจะให้เลือกระหว่างหัวเราะกับร้องให้อาตมาเลือกหัวเราะดีกว่า เมื่อกี้ก่อนขึ้นศาลาก็เห็นโยมนั่งอยู่สองคนทตามานึกในใจทำไมหน้าตาไม่ยิ้มแยม้มอีกหน่อยโลกก็จะแตกอยู่แล้วทำไมไม่มองชีวิตให้มันมีความสุข ทำไมไปมองสิ่งที่ไม่ได้และต้องมาทุกข์ทำไมไม่มองชีวิตที่เรามีอยู่เหลือน้อยแล้วเราทำให้มันมีความสุขเอาอย่างสมมุติคนเป็นเป็นโรคร้ายหมอบอกอีกสามเดือนตายนะกับปกรับไม่ไหวสภาพนี่ทุกข์ใจมาก แล้วก็ทุกหน้าดำาครื่ําเครียดแล้วก็ตายกับอีกคนหนึ่งบอกในไหนจะตายสามเดือนนี้จะอยู่ให้มีความสุขที่สุดทุกอะไรที่มีก็จะวางมันได้ก็จะวางวางไม่ได้ก็จะทนต่อทุกแล้วจะพยายามทำจิตให้มีความสุขอย่างไหนหน้าตายกว่ากัน คนปฏิบัติธรรมจะกรรมอะไรนะมากกว่าผู้ที่ไม่รู้จักการรักษาจิตที่บอกเออคนหนึ่งอกหักช้ำใจค่าตัวตายบางคนอกหักช้ำใจเป็นคนขี้เล่าเมายาบางคนเสียสติแต่บางคนอกหักเสร็จแล้วก็ตั้งหลักได้ไม่กี่วัน ก็เป็นธรรมดาไปเพราะเออมนุษย์ฉลาดหยิบได้วางได้เกิดมาไม่ได้เอาใครมาบทจะตายก็ไม่เอาใครไปแล้วทำไมเราจะต้องแบกชีวิตคนเหล่านี้จะต้องตายพร้อมไปกับเราจะต้องเดินคู่กับเราตลอดต้องบอกเข้าใจผิดเป็นเพื่อนร่วมทาง พอถึงทางแยกหน้าเขาก็มีทางไปของเขาเราก็จะต้องเดินอีกทางนึงก็ให้เขาไปสิโยมจะไปรั้งไว้ทําไมไปเด้ไปเจอสีแยกอีกเจอคนใหม่อีกเข้ามาแจมต่ออีกเดินต่ออีกพอเจอทางแยกหน้าแยกกันอีกแล้วแล้วโยมไปยึดทําไมก็ดูเพื่อน เพื่อนตั้งแต่เริ่มเป็นเด็กเพื่อนเรียนหนังสือในระดับประถมมัธยมจนถึงมหาวิทยาลายัยจนถึงเพื่อนร่วมงานแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็แยกย้ายไปตามฐานะตำแหน่งหน้าที่การงานเราไม่ไปยึดมั่นกับมันมากการจากก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่พอเราไปยึดมันมาก การจากมันเหมือนการพัดพรากที่แม่มันสูญเสียหัวใจแตมาบอกไม่ฉลาดในเรื่องจิตอาตมานั่งกาหนดแล้วตั้งแต่บ้านเกิดเมืองนอนเราก็จากมาแล้วสถานที่บุคคลวันเวลาเราก็เดินผ่านมาหมดแล้วแล้วทำไมใจของเรา ยังต้องยึดอยู่กับสิ่งที่มันผ่านมามันก็แค่อดีตมันแค่อดีตแต่มาบอกชีวิตมีอดีตเราเข้าใจอดีตแค่ไหนมันก็คือสิ่งที่เราผ่านมาแล้วจบมันจบโยมก็ต้องจบไม่ใช่โยมไปดูหนังนักแสดงโสดแสดงได้ ตัวร้ายได้ดีมากตัวอิจฉาได้ดีมากพอจบโยมก็โกรธเจอตัวแสดงว่าไห่ฉันจะฉันจะเล่นนอกจอให้ดูแหมมันทำได้ยังไงเอาโยมโยมเพี้ยนไปแล้ ว, ลวนะั่นนั่นเขาแสดงแต่โยมก็ยังเจ็บแค้นอยู่อเออถ้าอย่างนี้โยมไม่เข้าใจแล้ว ไม่เข้าใจถ้าระหว่างธรรมาจำเรื่องอดีตธรรมาจะจำสิ่งที่มันมีความสุขสิ่งที่มันสบายสิ่งที่มันจริงๆความเจ็บมันก็ดีนะมันก็เป็นรสชาติหนึ่งของชีวิตมนุษย์ถ้าไม่มีเจ็บไม่มีปวดไม่มีสุขไม่มีทุกข์เนี่ยธรรมาว่าจืดคิดในแง่ดีนะมันจืด โอ้บางคนสุขสบายอยากจะลำบากก็มีอยู่บางคนลำบากก็หลับตาอยากจะเป็นสุขยมก็หลับตาคิดไปเลยยมอยากเป็นอะไรเนี่ยสร้างในความคิดได้แล้วก็สักพักหนึ่งบอกพอเล้ยนะมาคิดเป็นโดยความคิดอา้านี่ก็เป็นการสร้างสารรนคะ์จินตนาการเนี่ยมันทําได้แต่ต้องมีขอบเขต พอสุดท้ายเราก็กลับมาสู่ชีพจริงพอลืมตาขึ้นมาก็กินข้าวเปล่ากับปลาทูไปแล้วกันเมื่อกี้หลับตานี่เป็นองค์ชายนะถึงบอกโยมจะสร้างภาพชีวิตอยากได้ภาพแค่ไหนเราเข้าใจแค่ไหนถ้าโยมเข้าใจสุดท้ายจริงชีวิต เราพอใจกับชีวิตที่มีแล้วมีความสุขกับมันวันนี้ได้เข้ากล่องมากินให้หมดยมก็มีความสุขกับมันแต่ถ้ายมคิดว่าแม่เข้าอย่างนี้มันถ้าเทียบกับคนนั้นคนนี้เขานั่ ง, งโง่เราอยู่ชีวิตตอนนี้ทำไมเราไม่ให้มีความสุข เรากลับไปมองคนอื่นมีความสุขกว่าเราเนี่ยตมาว่าไม่ฉลาดขาดปัญญาตรงนี้ตมาบอกเอ อ, เ อ, อรู้แล้วรู้เราเข้าใจกับว่าความสุขที่เราจับต้องอยู่ทำไมเราไม่ปรุงใจเราให้มันพอใจตรงนี้ออโยไม่รู้ตมามีวิธีปฏิบัติเยอะแยะในช่วงหลังหลัก มองอเห็นนะ่เออดีนะอืมันมันเรียบง่ายดีถ้ามันไม่มีอะไรนะเออดีดูเป็นธรรมชาติเออพอเขาจัดโดยดีมาเออดีเนาะการตกแต่งก็ดูสวยงามดีอ่ะดีไปหมดเห็นไหมโยมมันอยู่ที่โยมอะว่าใจของเราในะยอมรับสิ่งนั้นได้แล้วเราอยู่กับมันได้นะโอไม่ทะเลาะกับสิ่งนั้นนั่นแหละคือความสุข แต่พยมเข้ามายมบปทะล้อกับบ้านแล้วไม่ทันไรเลยโถมันก็เป็นแค่ที่นอนที่อยู่โอกาสหน้าขยับขยายได้ก็ค่อยไปหาใหม่เช่าใหม่ซื้อใหม่ถ้าไม่มีก็อยู่ว่ามันมีความสุขก่อนโถไปทุกทำไมชีวิตก็มาทยืดยาหกสิบปีเดยวก็หมดแล้วถูกข์บ่ายมตอนหลังเรามาไปฉันก๋วยเตี๋ยวไม่ปรุงเครื่องเลย เชื่อหรือเปล่ า, ล า, ลากินธารมาบอกเนี่ยลดลดกรร ม, มฐานเขาปรุงยังไงมาก็ไม่รู้กินละลูกศิษย์บอกพระอาจารย์นิมนต์เครื่องปรุงบอกฮะทำไมบอกมันก็ดีใจเราบอกว่าดีแล้วเป็นไงโยหมดไหมหมดอาตมมาก็หมดเท่ากันนะ เ, เห็นไหม หมด อ, อีก้ท่าไงเออเราเข้าใจสิ่งที่เราจับต้องและอยู่กับสิ่งนั้นได้เนะี่ยมีความสุขแต่ถ้าเราไม่รู้จักพอโยมมีอีกเท่าไรมันก็เป็นทุกข์เท่านั้นเข้าใจหรือเปล่า เราต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจโยมก็จะไม่มีวันเข้าใจชีวิตเราวิ่งเท่าไหร่เงามันก็วิ่งตามเหนื่อยตายโยมหยุดเงามันก็หยุดเหมือนกันอดี ต, ตผ่านไปแล้ววางได้มันก็จบร่างกายหยุดเงาก็หยุดสติปัญญามีพิจารณาเหตุปัจจุบันจิตใจที่รู้แจ้งความเป็นจริงสุดท้ายก็ปล่อยวางมันตรงกันหมดทุกอย่าง ทั้งอดีตของชีวิตทั้งร่างกายกับเงาทั้งสติกับปัญญาทั้งจิตตากับวิปัสสนาจึงบอกเออเรารู้แล้วเป็นพระแบบไหนให้มีความสุขเป็นโยมแบบไหนให้มีความสุขใช้ชีวิตแบบไหนให้มีความสุข ไม่ว่าความสุขเราจะต้องมีให้เหมือนคนอื่นที่เขามีเข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดแล้วโยมถ้าอย่างนั้นทุกนะอายุไม่พอเพียงสำหรับความอยากตายก่อนพอแล้วโยมพอแล้วเสื้อผ้าชุดนี้ตมาก็พอใจแล้ว ถ้าพอมีเงินทองซื้อเพิ่มได้เออค่อยซื้อแหมก็พอใจไปอีกแบบหนึ่งพูดจริงมันจะมาเปรียบเหมือนการนอนจะเป็นที่นอนแบบไหนก็ตามถ้าเรามีปัญญาเข้าใจแล้วถ้านอนหลับเต็มที่แล้วตื่นมามันก็มีความสุขเท่ากันการกินก็เหมือนกันถ้าเรากินอาหารแล้วอาหารเพียงพอกินจนอิ่ม ความหมายมันก็คือเท่ากันอย่าเพิ่งเรียกร้องอะไรชีวิตของเราตอนนี้เลือกไม่ได้เรามีแค่นี้โยมจงใช้สิ่งที่มีให้มีความสุขและโยมจะเข้าใจอีกหลายอยา่างแต่ถ้าโยมไม่เข้าใจคำนี้ชีวิตของเรานั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขตื่นมาก็ไม่เป็นสุข ทำอะไรก็ไม่มีความสุขไปหมดพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงว่าให้พออยู่แค่ตรงนี้ไม่ใช่ชีวิตที่เลือกไม่ได้ที่มีอยู่เราต้องใช้อยู่กับมันอย่าทะเลาะกับมันยมอยู่กับคนสองคนถ้าโยมไม่เข้าใจกันทะเลาะกันทุกตายเลยแต่ถ้าเข้าใจกันเจอหน้าเอิบ ครับที่อยู่ได้โบราณดันบอกครับใจอยู่ไม่ได้เจอหน้าก็ยิ้มกันเห็นไหมบ้านหลังใหญ่โตนะก็ต่างคนต่างก็มองค้อนกันมีโอกาสกันแล้กก็จะแทงหลังกันนะเห็นไหมยโยมมันไม่ใช่ถึงบอกเราเข้าใจความสุขแค่ไหนแต่มาบอกเออ วันนี้สังกสีก็หลบฝนได้กระเบื้องก็หลบฝนได้ยาคามงแฝกก็หลบฝนได้เออมันก็สำเร็จประโยชน์แล้วเราไม่เปียกฝนแล้วจะเป็นเตียงน้ำเตียงไม้ไผ่เสือ้อปูกับพื้น พอล้มตัวนอนหลับเออมันก็สุดยอดแล้วต่อให้โยมนอนเตียงน้ำดิ้นไปดิ้นมาคิดหน้าคิดหลังนอนไม่หลับไอน้นอนเสือกนอนกรนฟีฟีฟีโยมว่าใครน่าอิจฉากว่ากันอีกคนงอาหารเต็มเลยนั่ง ภาษาจีนบอกเจาะบอนเลาะคือกินไม่ลงอีกคนหนึ่งมีแค่ตำบะคงเนี่ยนะส้มตำข้าเหนียวจานหนึ่งโอ้โหกินมุมมามเลียปากเลียมือด้วยอ น, นูนั่งร้องไห้อาหารกูเยอะแต่กูกินไม่ได้แต่นูนั่งเลีย ม, มือกินจนโห่เผ็ดน้ําตาไหลแล้วทำามบอกกินหมดแล้วร้องทำไมบอกไม่ได้ร้องอร่อยเผ็ดจนน้ําตาไหลเห็นไหมโยม บอกเราเข้าใจสภาพชีวิตกับธรรมะแค่ไหนถ้าเข้าใจแล้วโอ้มีความสุขโยมสุขแบบพอเพียงด้วยเนี่ยอย่างโยมอายุหกเจ็ดสิบเนี่ยผมขาวจะมานั่งแหมนึกถึงตอนหนุ่มผมดำมันรูปร่างหน่วยก้านดีแมพอมามองตอนนี้แล้ว ม, มันเจ้าโลงี้โยมบอก แสดงว่โ ย, ยมไม่มีปัญญาแล้วตอนหนุ่มก็สุขแบบคนหนุ่มอายุมากคนแก่ก็สุขแบบคนแก่เจ็บเจ็บอด อ, อ, อแอดแ อ, ดแอดก็ต้องมองว่ามันเป็นทุกข์โดยพื้นฐานแห่งคนชาราเราต้องรู้จักยกจิตขึ้นมารู้จักมีปัญญาเข้ามาอบรมด้วยบอกเออผมขาวก็มาเป็นไรไวัยของเราก็ผ่านมาแล้ว ใครก็เป็นเช่นนี้ทั้งนั้นแต่อย่างน้อยเราก็ได้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยตรงนี้มากกว่าไม่ใช่เราไปเที่ยวกินสนุกสนานพอแก่แล้วนึกอะไรไม่ออกว่าทำประโยชน์อะไรบ้างอย่างน้อยไม่มีก็ปลูกต้นไม้ให้ลูกหลานได้นั่งมีร่มเงามีอย่างน้อย บอกเออเรายิ่งเข้าใจเท่าไรเสียงบ่นก็จะลดน้อยลงคนที่ยิ่งบ่นมากบ่นมากเพรยิ่งแก่ยิ่งบน่นยิ่งบน่นอารมณ์ยิ่งเสียเนี่ยสภาพจิตไม่ดีฉันยมต้องเมตตาปัญญาบริสุทธิ์สามคำเนี่ยโยมไปทบทวนเมตตาปัญญาบริสุทธิ์ถ้าโยมทําได้สามคำบรรลุ บุลุเมตตาปัญญาบริสุทธิ์ถ้าโยมนั่งรถเมย์รถบัสเนี่ยบางคนนั่งมองรถส่วนตัวโอ้โหเขาสบายจังนะอยากไปไหนก็ไปได้ปุ๊บปั๊บก็ถึงไม่เหมือนเราต้องยืนรอบางเที่ยวก็บอกเต็มรถจอดก็รีบวิ่งวิ่งช้าก็ลากขาไปอีก โยมมองในแง่นี้มันก็ทุกข์ใช่แต่ถ้ามองในแง่บอกเออคนอื่นก็นั่งเต็มไปหมดเขาก็ยังหัวเราะได้ร่าเริงได้เราจะไปรู้ว่าคนนั่งรถเก่งอาจจะผ่อนติดหนี้หัวโตอยู่ก็ได้ทุกข์กว่าเราก็ได้จะไปไหนก็ต้องขับเราสบายนั่งอยากจะหลับก็หลับไม่ต้องขับถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็มาเรียกเก็บเงินเอง สบายเวลาเสียก็มาต้องสอมเห็นไมไม่พอใจคันนี้ก็นั่งคันอื่นเลือกได้ตั้งเยอะแยะยมจะคิดแบบไหนร่ะคิดแบบไหนเออช้าหน่อยแต่เราก็ไปถึงทุนค่าใช้ใจเยอะแยะจอดตรงไหนก็ไม่ต้องไปห่วงดูรถคันอื่นมาก็ขึ้นต่อไอ้นี่ จอดตรงไหนก็ต้องกลับไปนั่งขับอยู่ที่เดิมนั่นแหละเห็นหมมันอยู่ที่เราคิดเราเข้าใจว่าเออแตมาบอกคนจะมีความสุขเขาต้องเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ว่าเขารู้จักปรับสภาพแล้วก็ยอมรับและก็อยู่สิ่งนั้นให้เรารู้สึกว่ามันมีค่า อายมเชื่อไหมมนุษย์ความผิดพลาดอีกข้อนหนึ่งสิ่งที่สูญเสียไปเรารู้สึกว่ามันมีค่าตอนที่มันจากไปแล้วหืมันสูญเสียไปแล้วแตมาว่าแย่ yeah. ทำไมเราไม่รู้สึกว่ามันมีค่าตอนที่อยู่กับเราโอ้แตมาเห็นอะไรที่อยู่ตตมามีค่าไปหมดให้พระเช่นหน้ายังดีมาเช็ด น, น้ามูกได้โอ้ดีมากเลย เช็ดได้ทั้งหลายครั้งใช่ไหมแล้วก็ไปซักภาชนาไม่มีเอกดาดเทจชู่เออเจจชู่ก็ดีเอาใช้เสร็จก็ทิ้งเลยไม่ต้องถืออีกมันดีไปหมดเห็นรือเปล่าโยมคิดให้ดีอีกแห่เป็นน้ำมูกอะไรไหลก็ดีเนาะได้กินยาทำให้คนเขามีอาชีพค้าขายเขาก็ได้กำไรเราเองก็ยังได้มานั่งจามดีก็อยู่ว่างๆอีก คิดไม่ได้โยมคิดในแง่ดีมันก็ดีหมดพอขัดใจบอกเอออยากอาหารจะ ต, ตายเสียจบเรื่องฮะเห็นไตัดบทพูดไปอย่างนั้นแหละเตือนสติตัวเองมันอยู่ที่วิธีคิดถึงบอกเออโยมเข้าใจชีวิตเราก็ต้องยอมรับมาท่านโยมอย่าไปแบกโลก ไม่ใช่ว่าเราเพิ่งทุกข์วันนี้ทุกข์มาหลายอย่างแล้วไม่ใช่เพิ่งผิดหวังผิดหวังมาหลายเรื่องแล้วไม่ใช่บอกฉันรับไม่ได้เรื่องนี้โยมต้องบอกว่าโง่เองไปยึดมันจนบอกแม่ฉันเรื่องอื่นฉันรับได้เรื่องนี้ฉันรับไม่ได้ไม่ใช่โยมไปไปมั่นหมายเกินไป ให้ความสำคัญสิ่งนั้นมันมากเกินไปหรือเอาตัวเราสำคัญมากเกินไปผิดคนที่ค่าตัวตายส่วนมากให้ความสำคัญคนอื่นมากหรือตัวเองเยอะพอผิดหวังขึ้นมาเอาแล้วธรรมดาแต่ามายังบอกบอกบางคนบอกพอาจารย์สามีกับโยมเลิกกันแล้วโอ้ชัยโยชัยโยโยโมมุทนาด้วยนะโยมมองตาค้างเลยนะ โยมจะมาปรึกษาจะทํางให้สามีโยมจะได้กลับมาอยู่กับโยมโอโหโยมปวดน้ำเลยคว่ำขันเลยโยมหมดกรรมแล้วโยมอยากจะนอนที่ไหนก็นอนอยากไปไหนก็ไปไม่ต้องขอใครแล้วโยมสบายแล้วอิสระแล้วโยมมองคนละแบบไปหก็ในเมื่อเขาเขาไม่รักเราแล้ว เขาไม่ยังอยู่กับเราโยมจะทนอยู่ทำไมการทนอยู่มันไม่ใช่เป็นความรักนะมันเป็นการฝืนนล้นเมื่อเขาจะจากก็ให้ไปดีๆอย่างเงี้ยดีแล้วดีแล้วโยมโยมก็อยู่ต่อเดินไปครั้งหน้าเผื่อวันครั้งหน้ามีชีวิตที่ดีกว่านี้อีกบอก โยมรักเขามากขาดเขาไม่ได้นี่คือความผิดของตัวเองโยมรักเขามากกว่าที่เขารักโยมโยมรู้มากว่านี่คือความผิดผิดตั้งแต่เริ่มแล้วไม่ควรรักใครมากกว่ารักตัวเองโยมยังมีคนที่รักมีอยู่ ทำไมไม่ให้คนนั้นล่ะพ่อแม่รักโยมมากกว่าใครนะทำไมโยมไม่แบ่งความรักให้พ่อแม่ทำไมทำไมไปให้คนที่เขาไม่รักเราเหมือนกับที่เรารักเขายมจำไหมเขาไม่มีค่าพอหรอกที่จะให้โยมรักเขาเชื่อจะมาเถอะโชคดีแลยโยม ไม่ต้องร้องตอมาว่าโยมโชคดีก็โชคดีเชื่อตอมาเถดีจริงนะเออดีไปซื้อนอตตรี่ดูเ อ, อ้จริงนะโยมบึงบอกเออโยมคิดแบบไหนจึงบอกเมตตาปัญญาบริสุทธิ์โยมไปใช้เองนะและตมาก็บอกไม่ได้ทุกเรื่องเมตตาปัญญาบริสุทธิ์ ทุกคนต้องแก้ไขเองต้องมีปัญญาในโยมปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมพอดับทุกได้บ้างไหมล่ะไม่ใช่นั่งหน้าตึงสารมาเร็งในก่อขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันจะเป็นมาเร็งเมื่อไรก็ไม่รู้ยังบึ้งตึงอยู่เงี้ยไม่ได้นะโยมต้องนั่งหน้าใสาใจยิ้มแล้ว คิดชีวิตวุ่นวายมากก็นั่งทาําฌานปล่อยวางบ้างยมจะไปตามจิตมากเกินเราต้องตามธรรมดีกว่าอานะสมควรเวลาเดี๋ยวเราไหวพระกันใน <c oughs> ม, มีใครอยากตายบ้างยกมือขึ้น แล้วงั้นจะมาขอไปใช้งานก่อนดีกว่าจะเอาไปเลี้ยงวัวก่อนเผื่อวัวมันจะสอนบอกว่ามันเป็นสัตว์มันอยากอยู่ต่อได้กินหญ้าเขียวมันก็ดีใจแล้วยอมนิยมได้กินข้าวนะมีแป้งด้วยแม่ดีถึงเวลามันก็ต้องจากอยู่แล้วยมอยากก็เท่านั้นไม่อยากก็เท่านั้น ให้กรรมเป็นผู้กาหนดดีกว่าส่วนเราก็มีหน้าที่ใช้ชีวิตไปดีกว่านาโยมนะ